ศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศัก์ได้รับทุนจากรัฐบาลสำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมอนแทสออสเตรเลียศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษปริญญาโทรัฐปาสตร์นิสิศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโสศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาลมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนักวิชาการสังกัดศูนย์ศึกษากิจการระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นนักวิชาการอาคันตุกะสถาบันอินเทอร์เน็ตศึกษามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษและเป็นนักวิชาการประจำวิทยาลัยธุรกิจมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษเป็นศาสตราจารย์วิจัยมหาวิทยาลัยริเจนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะการต่างประเทศ การศึกษาการคิดและการบริหารองค์กรและเป็นประธานองค์กรนานาชาติผู้นําการเมืองเพื่อวิสาหกิจสังคมและเป็นประธานองค์กรสถาบันการประกอบการเพื่อสังคมศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานและดํารงสถานภาพหลากหลายโดยเป็นทั้งอาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักคิดนักเขียนนักบริหารธุรกิจนักสร้างสรรคสังคม ที่ปรึกษาและนักการเมืองทั้งนี้จะเลือกทำเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อคนสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติเป็นสำคัญที่ผ่านมาเคยสอนที่มหาวิทยาลัยมอนแนสและเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเก ษ, ษตรศาสตร์เป็นนักวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นองค์การโทรคมนาคมออสเตรเลียและดารงตาแหน่งสาคัญระดับชาติอทิ สอสออุปบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจและการมาธิการบริหารพักประชาธิปัตย์สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ปรึกษาประธานรัฐสภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีและได้รับเชิญจากหน่วยงานระดับชาติและระดับนานาชาติให้เป็นกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิที่ปรึกษา นักวิจัยและอาจารย์ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่าห้าสิบแห่งนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการเขียนหนังสือในหลากหลายสาขาอาธิเศรษฐกิจเนยบายศึกษาการต่างประเทศสังคมการเมืองการบริหารการศึกษาอนาคตศาสตร์การคิดมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเล่มและมีผลงานบทความลงตีพิมพ์ในสื่อทั้งไทยและต่างประเทศสม่ำเสมอ อาทิบทความวิชาการมากกว่า200เรื่องบทความแสดงทัศนะด้านต่างๆมากกว่า3 0 0พันเรื่อง